รัฐบาลประเทศอังกฤษนะฮะก็คิดว่าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากในการสร้างแผนที่โลกที่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามันส่งผลต่อการสำรวจการค้าขายอะไรต่างๆนานานะครับก็ประกาศไปเลยครับว่าใครสร้างนาฬิกาที่ใช้บนเรือได้แบบแม่นยำนะจะให้เงินเรียกว่ามาหาศาลเลยตีเป็นเงินทุกวันนี้น่าจะประมาณร้อยล้านนะ you're listening to the standard podcast the eye-opening experience for your ears ได้ใ น, ใ, นในโลกล้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะคำพูเนี้ยได้ยินกันมาแบบนานแล้วแต่ว่าไอ้การคิดค้นนาฬิกาเองเนี่ยตัวมันเองที่ใช้วัดเวลาวันหนึ่งพอเวลาผ่านไปมันก็เป็นตัวบ่งบอกได้เหมือนกันว่า การคิดค้นนาฬิกาขึ้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนโลกได้จริงๆะนะคะแต่ว่านาฬิกาเปลี่ยนโลกเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวต้องให้พี่ป่องแปงมาช่วยเฉลยนะคะก็ใดๆในโลกโลนฟิสิกส์วันนี้นะคะอยู่กับฟางรัฐทโรจิตพนาค่ะและผมอ่านว่ารงจันทมาศครับพอเราพูดกันเรื่องของนาฬิกาพี่ป่องแปงจริงๆแล้วอประวัติการคิดค้นหรือมนุษย์ของเราเนี่ยค่อยๆแบบพัฒนาการการจับเวลามายังไงบ้างอะพี่ต้องบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ พยายามสร้างนาฬิกามานานแล้วมันสําคัญมากนะฮะในการพยายามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเวลาเพราะว่าเอาอย่างน้อยๆเลยนะถ้าเราจับเวลาได้อย่างแม่นยำนะแล้วก็วางแผนชีวิตได้เราสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติต่างๆได้ในแง่ของฤดูกาลอะไรต่างๆนะครับคือสเกลของเวลามันหลายสเกลปีเดือนวันนะเราจะต้อง แรกๆเนี่ยเราก็พยายามเอาวัตถุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางดาราศาสตร์ที่มันขึ้นตกเป็นจังหวะชัดเจนเนี่ยมาช่วยในการสร้างนาฬิกาใช้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมาช่วยใช่นาฬิกาแรกๆเลยของมนุษย์เลยเป็นนาฬิกาแดดนะครับเพราะตอนแดดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้เห็นได้ทุกวัน<ฮ>ะนะเออบางวันอาจจะไม่เห็นนะถ้ามันคลุมมากๆนั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่โดยโดยส่วนใหญ่แล้วก็เห็นเห็นดวงอาทิตย์เนาะนาฬิกาแดดเนี่ย น้องฟางว่าประเทศแรกที่สร้างเลยคือประเทศอะไรคนประเทศอะไรตอนนั้นไม่ได้เป็นประเทศหรอกแต่ว่ามันก็คืออรารยธรรมของแถวไหน อ, อ, อยากเดาเลยมันต้องเป็นแถวไหนอะพี่ต้องอรารยธรรมใหญ่ๆก็คงจะมีแถบแบบอียิปต์องเียิปต์ถูกเลยครับคนอียิปต์ยุคโบราณเนี่ยเขาสร้างนาฬิกาแดดขึ้นมาแล้วด้วยความที่นาฬิกาแดดในยุคนั้นเนี่ยเงามันเดินตามเข็มก็เลยมีทฤษฎีว่า การเดินของเข็มนาฬิกายุคเนี้มันก็ถูกสร้างตามล้อตามตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณเรื่อยมามนะฮะเห็นไหมว่าเรื่องเก่าแก่มากๆเนี่ยมันมาเชื่อมโยงอยู่ในเข็มนาฬิกาของเราที่เราดูดูนาฬิกาเออแต่บางคนนี่น้องๆบางคนดูนาฬิกาเข็มไม่เป็นก็มีนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นตัวเลขหมดแล้วไงดูเป็นดิจิตอลใช่ไหมเอาเป็นว่ามันมีนาฬิกาเข็มอยู่นะครับแล้วก็ยุคต่อมาก็อาจจะมีการสร้าง สิ่งอื่นๆมาช่วยในการบอกเวลามากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนาฬิกาแดดมันใช้ได้แต่ตอนมีแดดตอนกลางคืนก็ไม่ได้บางทีเขาก็ใช้เทียนไขนะบางทีเ็าใช้น้ำหยดน้ำหยดใช่ใช้ระบบน้ำหยดอย่างสม่าเสมอแล้วระดับน้ำลดไปถึงจุดไหนก็นาฬิกาเ็เท่านั้นผมเคยได้ยินตอนเด็กๆด้วยซ้าว่ามีการเจาะกลาฮะเจาะกลา แล้วอากรลาเนี่ยไปวางไว้แล้วพอกระลามันจมก็นับเป็นหนึ่งเวลาแบบนี้ก็มี <นะ S 2> ก็คื อ, อให้รู้ระยะเวลาที่จำกัดของอันนั้ น, นะจนกว่าไอ้ตัวกรลาจะหล่นลงไปใช่จนกว่ากรลามันจะจมลงไปแต่ทีนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่เราก็มีการพัฒนานาฬิกาเรื่อยมาจนในที่สุดนะครับนาฬิกาที่ผมว่าเจ๋งมากก็คือนาฬิกาลูกตุ้ ม, มเพราะมันใช้กฎฟิสิกส์ที่ เขาเรียกว่ากฎฟิสิกส์เกี่ยวกับลูกตุ้มหรือแพนดูลัมนะในการ อ, ออกแบบนาฬิกาแบบนี้ที่ผมว่านาฬิกาลูกตุ้มมันเจ๋งเพราะว่ามันสามารถเซ็ตสแตนด์ารหรือมาตรฐานได้เนา ะ, ะแต่ทีเนี้ยมันเกิดปัญหาข้อหนึ่งทำให้เกิดเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็คือนาฬิกาที่มันเปลี่ยนโลกของเราจริงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีการจับเวลาหรือวัดเวลาเนี่ยนะครับ ยิ่งมันมีความแม่นยําเท่าไรเนี่ยมันยิ่งก่อให้เกิดเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามที่มันนามาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวเกี่ยวกับฟิสิกส์เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับเอกภพมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหลักเป็นร้อปีมาแล้วนาฬิกาเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่เออเนี่ยรูปนี้เลยนะครับอเปลี่ยนโลกของเราหน้าตามันเป็นไงแปลประหลาดนะคะมันแบบว่าดูมีกลไกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่กลไกเยอะมาก แต่ถามว่ า, ามันเปลี่ยนโลกอย่างไรย้อนกลับไปนะครับในยุคที่โลกของเราเนี่ยยังไม่มีแผนที่โลกที่ชัดเจนแบบทุกวันนี้คอ<ฆ>ทุกวันนี้แผนที่โลกของเราอ่ะ<ๆ>เขาทําทำมาจนพุ่นละนะฮะโอ้โหชัดเจนตีเส้นลุงเส้นแหวงอะไรชัดเจนแต่ผมบอกก่อนว่าเส้นที่มันอยู่ในแนวนอนเนี่ยนะฮะเส้นแนวนอนเนี่ยมันทําได้ง่ายมากลองนึกภาพเส้นศูนย์สูตรก่อนนึกภาพลูกบอลก<ฆ>่อน เวลาลูกบอลหมุนเนี่ยเส้นที่มันอยู่ในแนวนอนตรงนี้คือเส้นศูนย์สูตรแล้วเราก็ค่อยๆไลร่ลลระดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เส้นตัวนี้ทำไม่ยากเพราะว่าเราใช้การเปลี่ยนตําแหน่งของดาว<ะ>ในการทาเส้นเหล่านี้นึกออกไหมฮะเช่นถ้าผมอยู่ที่ขั้วโลกเหนือแล้วมีดาวอยู่กลางศีรษะโดยประมาณนะครับดาวนั้นก็คือดาวเหนือค<ะ>่ะอ่าเราก็รู้เลยตอนนั้นอยู่ขั้วโลกเหนืออแต่พอเราค่อยๆเดินลงจะมามาจากขั้วโลกเหนือ ดาวเหนือเนี <'t it? S 1> ่ยมันจะไม่อยู่กลางศีรษะแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนระดับลงมาอย่างถ้าเราอยู่ที่ขอบฟ้าอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรดาวเหนือเนี่ยจะอยู่แทบจะแตะขอบฟ้าเลยอย่างเช่นกรุงเทพของเรานะครับก็อยู่ที่ละติจูดประมาณ15องศาเหนือดังนั้นดาวเหนือเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากขอบฟ้าขึ้นมาที่ประมาณ15องศาแถวนั้นนะแต่ว่าไอ้ตัวเส้นนอนเนี่ยไม่ยากเส้นนอนทําไม่ยากแต่เส้นตั้งเนี่ยทำยาก เราจะทำเส้นตั้งหรือตีเส้นตั้งเนี่ยได้ยังไงนะครับการจะตีได้เนี่ยเราจะต้องรู้เวลาท้องถิ่นของที่นั้นๆแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อตอนเนี้ยเส้นของเราอยู่ห่างจากเส้นนั้นๆเท่าไหร่เช่นตอนนี้เราอัดรายการสมม ต, ตนนิตอนนี้ตอนเที่ยงตรงสมมตินะฮะตอนนี้น เ, เวลาประเทศไทยเที่ยงตรงไปเอากินข้าวเราทางานทำรายการนะครับอเมริกาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเที่ยงอยู่เที่ยงคืน มันทําให้เรารู้ว่าอเมริกาเนี่ยอยู่ที่อีกซีอีกหนึ่งเลยอืมนึก อ, ออกไหมฮะห่างออกไปอีกซีอกหนึ่งเลยการรู้เวลาท้องถิ่นจะทําให้เรารู้เส้นตั้งดังนั้นยิ่งเราสร้างเครื่องวัดเวลาที่แม่นยําเราก็จะสามารถทําแผนที่โลกหรือตีเส้นตั้งได้ดีขึ้นอืมแต่ไอการวัดเวลาถ้าเราย้อนกลับไปยุคที่แบบโอยังไม่มีแผนที่เลยแล้วอนาฬิกานี่มันมายังไงถึงออกมาเป็นตัวนี้อคะพี่ต้องบอกนี้ก่อนนะครับคือ ถ้าเราจะมีแค่เส้นนอนก็คือลัติจูดเนาะถ้ามีแค่เส้นลัติจูดเนี่ยแผนที่มันไม่สมบูรณ์มันต้องมีเส้นตั้งคือลองติจูดการเดินเรือในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการผจญภัยฮะคือผจญภัยจริงๆนะไม่ใช่แบบผจญภัยลุกๆแบบทุกวันนี้แบบเข้าป่าไปเที่ยวเชียงใหม่ไปผจญภัยอะไรเงี้ยมันไม่มีภัยแต่การเดินเรือแต่ก่อนน่ยภัยจริงไม่รู้เลยว่าจะไปเจออะไรไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าเพราะว่าแผนที่มันไม่มีเส้นแนวตั้ง อยูเส้นลองติดจูดนะครับการเดินเรือที่ปลอดภัยก็มักจะใช้วิธีการเดินเรือแบบเดินเกาะตามขอบแนวชายฝั่งไปหรืออะไรพวกเนี้ยนาฬิกาอื่นๆเนี่ยมันเจอความโคลงของเรือก็ใช้ไม่ได้นาฬิกาลูกตุ้มอย่างเงี้ยเจอความโคลงเรือมันโคลงไปโคลมาเอาลูกตุ้มเป๋ละใช้ไม่ได้จับเวลาได้ไม่แม่นยําว่ากันว่าคุณคาลิเลโอเคยพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยนะคารลิเลโอนี่พยายามที่ไปเรื่อยอยู่ในทุกอย่างเลยอูในทุกอย่าง อีกคนที่พยายามคิดไปเรื่อยคืออริสโตเติล น, นะจริงๆมผมอยากเล่าเหมือนกันนะ อ, อันนี้เป็นคนที่ผมชอบมากจต่แปลว่ากาลิเลโอเนี่ยเคยบอกว่าหรือเราจะใช้การเปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์ที่มันโคจรรอบดาวพฤหัสที่มันแม่นยำเนี่ยในการบอกใช้จับเวลา<อ>ปัญหาคืออะไรให้ทายมันมันนานเหรอหนึ่งคือตั้งกล้องดูดาวครับบนเรือของโค ร, ครโอไม่งคือเอาพื้นปกติอ่ะก็ไม่ง่ายแล้วกว็จะหาดาวหาเลย ไปอยู่บนเรือโครงแล้วยิ่งมีเมฆมีพายุ ม, มีอะไรอุปสรรคเยอะอุปสรรคเยอะมากวันนี้ไม่ต้องดูแล้เวลเวลาอะไรลําบาก<ม>นะครับดังนั้นมันก็เป็นวิธีที่ไม่ practical คือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติเนาะตอนนั้นรัฐบาลประเทศอังกฤษนะฮะก็คิดว่าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากในการสร้างแผนที่โลกที่สมบูรณ์แบบ<ม>เพราะว่ามันส่งผลต่อการสํารวจการค้าขายอะไรต่างๆน า, นานานะครับก็ประกาศไปเลยครับว่า ใครสร้างนาฬิกาที่ใช้บนเรือได้แบบแม่นยํานะจะให้เงินเรียกว่ามห า, าศาลเลยประมาณหมื่นถ<อ>ึงสองหมื่นปอนในยุคนั้นแล้วแต่ความแม่นยำเนะะอะตีเป็นเงินทุกวันนี้น่าจะประมาณร้อยล้านนะอเป็นเงินราง ว, วัลใหญ่<อ>ถือว่าแ<ม>พงมากใช่ไหมสูงมากสร้างนาฬิกาโดยละร้อยล้านขึ้นมาค่ะอย่างนี้แบบคนที่เข้ามาแข่งขันต้องเป็นแบบแนวนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์อะไรนี้ป่ะพี่ ผมเรียกนักประดิษฐ์ก็แล้วกันคืออย่างที่บอกนะครับบางทีนักวิทยาศาสตร์แบ่งเป็นหลายสายและส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเพียวสายจริงๆเขาจะศึกษาแบบไม่ได้มาแข่งขันประดิษฐ์ประยุกต์ใช้อะไรแบบเนี้ยเขาจะคิดไปก่อนศึกษาไปก่อนในเรื่องของที่เขาอยากรู้แต่เันนี้ออกแนวนักประดิษฐ์ล่ารางวัลแล้วมันมีนักล่ารางวัลคนหนึ่งผมเรียกว่าเป็นนักประดิษฐ์เป็นเอนจิเนียร์ก็แล้วกั น, กน<ฆ>เป็นวิศวกรที่เก่งมากคือคุณจอห์นแฮร์ริสันเขาสร้างนาฬิกาแบบเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ นาฬิกาแบบนี้แทนที่จะใช้ลูกตุ้มนะฮะเขาใช้สปริงถามว่าทําไมต้องสปริงสปริงเนี่ยมันสั่นการสั่นของสปริงเนี่ยมันไม่ขึ้นกับตําแหน่งแรงโน้มถ่วงจะวางตัวในแนวนอนมันก็สั่นอย่างเงี้ยจะวางตัวในแนวตั้งมันก็สั่นอย่างเงี้ย อ, อย่างเงี้ยดังนั้นเขาใช้สปริงเป็นตัวกลไกลสําคัญในการสร้างนาฬิกาของเขานาฬิกาเรือนแรกที่เขาสร้างคือรุ่น H1 นะครับก็พบว่าพอไปเทสจริงเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะมากมนะฮะ ก็เกิดดราม่าอะไรต่างๆล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินอย่างงนอย่างนี้ตุกติกตุกติกนะธรรมดาแล้วเงินมันเยอะนะครับก็ต้องตรวจสอบกันเยอะหน่อยอทีนี้ก็จอร์ฮนริสันไม่ยอมแพ้ครับกลับไปพัฒนามี H 2 H 3 2> H 4ีออกมาจนในที่สุดเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ผมบอกไว้ก่อนนะมันดามามากเพราะว่าคือเวลา จะตรวจรับงานอะไรสักอย่างเข้าใจเขามาตรวจรับใช่ไหมมันจะต้องมีการมีผู้ทรงคนมาเรื่องอะไรต่างๆเขาก็มาตรวจจับพงจับผิดวิภากษ์วิจารอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ่จนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เงินรางวัลในที่สุด<ๆ>ตอนที่เขาอายุประมาณ70กว่าแล้วโอ้หเหมือนใช้แบบช่วงเวลาทั้งชีวิตเหมือนกันนะในการสร้างตํานานแต่ก็กล่าวได้ว่านาฬิกาของคุณจอห์นแฮร์สันเนี่ยนำมาซึ่งประโยชน์ในหลายแง่หนึ่งคือ การประดิษฐนาฬิกากลไกที่มีความเที่ยงตรงเนี่ยก็ได้ไอเดียได้อะไรจากคุณจอห์นแฮร์ริสันมาเยอะนะครับแล้วอย่างที่สองก็คือการทำแผนที่ในยุคนั้นเนี่ยก็พัฒนามาเยอะมากๆนะครับมันส่งผลต่อการสำรวจการค้าขายเรียกได้ว่าทำโลกให้เป็น g l o b a l l d อย่างแท้จริงด้วยการจับเวลาของคุณจอห์นแฮร์ริสันนั่นเอง แล้วตัวนาฬิกาอันนี้แปลว่ามันก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องของการที่บอกว่าอยู่บนเรืออยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยความแม่นยำของมันค่อนข้างสูงใช่ไหมยังดีอยู่ใช่เจอเจอคลื่นโครงอะไรมันมีนกลไกสำหรับให้ตัวมันยังใช้งานได้ทุกวันนี้นาฬิกาเนี่ยก็พัฒนาจากยุคนั้นมาเยอะมากๆเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะแต่เราไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเรายังพัฒนาไปถึงนาฬิกาอะตอมซึ่งวัดค่าความแม่นยาได้ในระดับแบบ โอ้โหสั้นทุช่วงเวลาสั้นมากๆก็ยังจับเวลาได้อย่างแม่นยําจนเดี๋ยวเนี้มันจับเวลาได้ระดับแบบถ้าเป็นแ a b ดิบดิบแบบสุดยอดของโลกนะ1ในล้านล้านล้านวินาทีก็จับได้รู้ไปทําไ ม, มรู้ไปทําไมนะถ้าในลหลักนานโนวินาทีซึ่งยังไม่ถึงหนึ่งในล้านล้านล้านวินาทีนะเอาไว้ตรวจสอบพวกทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ได้ว่าเวลามันช้าลงจริงหรือเปล่า แต่อย่างหนึ่งในร้าน้านวินาทีเนี่ยทุกวันนี้คือปี2 0 0 0กว่า2020กว่าเนี่ยเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วงั้นอย่างนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยการโหวตดีกว่าว่า<อ>ถ้าเกิดว่าให้คะแนนนาฬิกาในดวงใจพี่บ่องแปงใช่ของคุณจอห์นแฮร์ริสันป่ะอันนี้ติดติดท็อปหแน่นอนอนะครับคือมันมีนกลไกที่ดูสวยงามแล้วก็น่าทึ่งผมเองก็ มีส่วนที่คล้ายคลึงกับผู้ชายทั่วไปในแง่ที่ผมก็ชอบอะไรที่มันเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกลน่าสนใจแบบเนี้นะแต่ผมว่าส่วนตัวผมชอบนาฬิกาอะตอมมากกว่านาฬิกาอะตอมเนี่ยเปลี่ยนโลกฟิสิกส์มากๆนะครับอย่างที่บอกคือมันใช้ในการอธิบายแล้วก็ตรวจสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ได้ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเอาเป็นว่านาฬิกาอะตอมเนี่ยนะครับฟังที่ผมที่ผมว่ามันเจ๋งนะเอาขึ้นเครื่องบินนะฮะ คือใหญ่เหมือนเหมือนเหมือ น, นแบบตู้ตู้ใหญ่ๆอะฮะเอาขึ้นเครื่องบินไป่พอนาฬิกาอะตอมอยู่ในเครื่องบินที่บินรอบโลกเนี่ยพอเอาลงมาเทียบกับนาฬิกาที่อยู่บนพื้นโลกเนี่ยเวลามันไม่ตรงกันเวลาในเครื่องบินมันมันเดินด้วยอัตราที่แตก ต, ากต่างจากนาฬิกาบนผิวโลกอะอเพราะทฤษฎีสัมพัทธภาพบ่งชี้ว่าเวลาเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งสัมพัสมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้สังเกตทุกคนในเอกภพจะเห็นตรงกันดังนั้นการจะตรวจสอบทฤษฎีที่แม่นยํามากๆ ผมว่าผมชอบนาฬิกาอะตอม ก็เหมือนกับในยุคหนึ่งเนี่ยนักประดิษฐ์หรือว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็สู้กันด้วยการคิดการวัดคำนวณเวลาที่มันแบบแม่นยําใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็ส่งภาระมาที่ยุคเราต่อแล้วตอนนี้ <c oughs> ฟังว่านะเป็นการแบบแข่งขันกันด้วยการใช้เวลาแล้ว <c oughs> <c oughs> เหมือนแย่งเวลากันแล้วตอนนี้ที่แบบเออเราจะใช้เวลาแบบแต่ละวันในชีวิตยังไงหรือว่าจะเข้าถึงความสนใจของผู้คนในการใช้เวลาของชีวิต <c oughs> ยังไงและอันนี้เป็นอีเนอกเป็นอีกบอนึงเหมือนกันเนาะค่ะก็ไงก็ฝากติดตามใดในโลกลนฟิสิกส์เรา2คนกันด้วยนะคะวันนี้ คุยกันสนุกเลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะฟังพวกเราได้ในทุกๆ podcast player นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะฝากกด subscribe นะคะ YouTube Channel ของ The Standard Podcast ด้วยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for your ears